ขอกราบบูชาพรัตตนาไตรขอกขราบคารวะครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อํำเขียนขอกราบนมส ก, การพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปในที่นี้ก็คือหลวงพ่อกลมที่เป็นประธาน แลก็ขอเจริญพร อ, อาญาติโยมผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสกุโตในวันนี้ก็นั่งตามสบายนะครับ <c oughs> จริงๆที่ท่านอาจารย์สุรินได้นิมนต์กับผมเรียกต่ ม, มาเนี่ยมาพูดคุยวันนี้ <c oughs> สิ่งที่จะเล่าให้ฟังหรือสิ่งที่จะพูดนี้ถือว่าเป็นการปอกเปลือกตัวเองแล้วก็ให้ครูบาอาจารย์ได้ช่วยแนะได้ช่วยอบรมสั่งสอนเพราะสิ่งที่จะเล่าสู่กันฟังนั้นก็เป็นสิ่งที่ เ, เป็นประสบาการณ์ของคนที่กำลังเดินทาง ในเส้นทางของ <c oughs> อพระพุทธองค์ได้ชี้เอาไว้ตัวกระผมเลือตามานาไดเ้เรียนมาทาั้งทางการศึกษาสมัยใหม่ก็คือทางโลกจบระดับปริญญาตรีมีวิชาความรู้เอาไปทรหากินได้ ไปทำงานเป็นอาจารย์สอนอ่านหนังสืออยู่ประมาณสามสิปีในในช่วงของการศึกษาเนี่ยก็มีความสนใจธรรมะอยู่ด้วยซึ่งความสนใจนั้นเป็นเรื่องที่บังเอิญมีเพื่อนชวนเข้าไปแล้วก็ได้รุ่นพี่ที่ดีก็คือเป็นการยานามิตรที่ดีเป็นคนแรกนะที่แนะนำให้ รู้จักวิธีการฝึกสมาธิแบบอานาปนาสติก็คือพี่สุพวรณปัจจุบันก็คือสุพวรณกรีนนั่นเองเอ่อหลังจากนั้นก็ได้เรียนรู้วิธีการต่างๆอ่านหนังสือฟังเทพจากอาจารย์พุทธทาสนะก็ทมให้ได้รู้ว่าความรู้อีกชนิดหนึ่ง ที่มหาวิทยาลัยในโลกปัจจุบันไม่ได้สอนหรือในโรงเรียนไม่ได้สอนมันมีอยู่ก็คือเรื่องจิตใจนี่เองเป็นความรู้ทางด้านจิตใจซึ่งน่าเสียดายมากว่าการศึกษาในโลกปัจจุบันนี้ไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้เท่าที่ควรส่วนใหญ่เราก็จะเรียนกันเฉพาะความรู้วิชาทีพความรู้ที่จะเข้าสังคม ความรู้ที่จะทำมาหากินเท่านั้นเองแต่พอเรามีความทุกข์แล้วเนี่ยก็ไปเรียนจิตวิทยาซึ่งก็เป็นเรื่องที่เป็นความรุนตื้นๆความรู้ที่แก้ปัญหาจิตใจ จ, จริงๆเนี่ยมันมีอยู่ในพุทธศาสนาแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายอีกว่าในในในโลกปัจจุบันหรือในประเทศไทยก็ดีเนี่ย พุทธศาสนาพอพูดถึงพุทธศาสนาเราก็จะมองภาพที่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะวัดวาอารามพระสงฆ์องค์เจ้านะหลายคนก็ไม่กล้าเข้าวัดนะกลัวจะเป็นคนโ บ, บราณกลัวเดี๋ยวจะเรียอะไรบริจาคหรือบางทีเข้าไปก็ไปเจอศัยศาสตร์นะแทนที่จะเจอพุทธศาสตร์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายแต่นะก็เป็นโชคดีของพวกเราในยุคนี้ ที่ได้มีครูบาอาจารย์นะหลายท่านนะตั้งแต่หลวงปู่ ม, มั่นนะครับอาจารย์พุทธทาสท่านเจ้าคุณประยุทธ์แล้วก็รวมทั้งพระป่าสายปฏิบัตนะิแล้วก็หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนนะจนถึงปัจจุบันนี้ตัวกรผมเนื้อธรรมาเองก็ได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะครับจากการที่เราได้มาศึกษาเรื่องจิตใจ การเรียนรู้ในเบื้องแรกได้เรียนอนาปนาสติก็ได้พบกับความสุขความอิ่มใจแต่ก็เป็นเพียงชั่วขณะที่เราได้นั่งสมาธิหลับตารู้สึกอิ่มตอนนั้นหลงไปคิดว่าตัวเราบรรลุธรรมแล้วเราถึงที่สุดแล้วแต่ที่ไหนได้เมื่อเรากลับมาบ้านเรามาเจอสภาพต่างๆที่ <c oughs> ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็มีความโกรธมีอารมณ์ มันก็เป็นการบอกให้รู้ว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้มามันยังมันเป็นของชั่วคราวเท่านั้นเองเออจากการศึกษานาพนาสติกก็ได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกนะก็ได้สงบชั่วคราวเท่านั้นเองเราไม่ได้ทำต่อให้มันต่อเนื่องแล้วก็ค่อนข้างจะมีลักษณะก็คือถ้าฝึกแล้วจะหลับนะจะหลับหลับบ่อยออแต่หลังจากได้มาฝึก การเคลื่อนไหวเนี่ยาจากจากหลวงพะะเทียนนประมาณปี 2,520 ที่วัดสนามในตอนนั้นก็ยังไม่ฟังท่านไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็สนใจฝึกยกมือเดินจงกรมสร้างจังหวะช่วงที่ไปฝึกกับหลวงพะะเทียนช่วงนั้นคนหนุ่มคนสาวในยุค น, นั้นเนี่ย ยังไม่เคยได้สนใจนะคนฆ่าวันมีน้อยมากเพราะฉะนั้นก็เป็นโชคดีของเราที่หลวงพระเทียนได้มีโอกาสมาให้คำแนะนำในการปฏิบัตินะครับเท่า mm hmm. ที่พอจับจับได้ในตอนนั้นก็คือให้เรารู้สึกตัวกับการเคื่อนไหวแต่เราก็รู้แต่ความจําแต่เราไม่ได้สัมผัสกับความรู้สึกจริงๆ นะซึ่งตรงนี้คิดว่าคนที่มาใหม่ๆเนี่ยก็จะเจอเหล่านี้ว่าเอ๊ะความรู้สึกตัวมันเป็นยังไงที่บอกว่าความรู้สึกตัวมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เราก็ทำตามไปอย่างนั้นเองนะในช่วงที่ได้ฝึกกับหลวงพ่อเทียนช่วงนั้นก็บางทีมันก็ฝึกไปบางทีก็หนักหัวบางทีมันก็เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวบางทีก็ง่วงนอนนะซึ่งจะเป็นเหมือนกันทุกๆคน ตอนนั้นเรายังปรับตัวหาจุดความพอดีมันไม่ได้ออพอดีมีจังหวะหนึ่งประมาณปีสองน้อยสิบ้าได้มีโอกาสลาบวชนะครับช่วงนั้นก็ทำงานที่เชียงใหม่แล้วเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาซึ่งปัจจุบันก็คือหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาะ ได้ลาบวชหนึ่งพรรษาตอนนั้นได้ข่าวว่าหลวงพ่อป่วยมากแล้วก็อาจจะอยู่ได้ไม่นานก็เลยตัดสินใจลาบวชหนึ่งพรรษาคิดว่าอยากจะไปอยู่ใกล้ชิดกับท่านแล้วก็ไปเรียนรู้กับท่านในช่วงหนึ่งพรรษานั้นเนี่ยเป็นช่วงที่มีคุณค่ามากจากการที่เราได้ยินได้ฟังหลวงพ่อเทียนพูดหลวงพ่อคำเขียนครูบาอาจารย์มีพระจันดาอีกหลายลูก นะครับในบรรยากาศของการปฏิบัติที่ที่วัดโมกนะตอนนั้นไปจำพรรษายอยู่ที่วัดโมกแล้วก็มีท่านอาจารย์นเนกตอนนั้นก็เพิ่งจะบวชเข้ามาใหม่ๆก็เป็นสภาพแวดล้อมเป็นกัละยาณมิตรกันก็ได้ช่วยเหลือกันบรรยากาศของการใช้ชีวิตที่วัดโมกเนี่ยจะมีพระไม่มากนะะ มีโยมก็ไม่มากเท่าไหร่ประมาณประมาณยี่สิบรูปได้ก็บรรยากาศส่วนใหญ่เราแต่ละวันเนี่ยเราจะใช้เวลาไปเพื่อการปฏิบัติาการเดินชงกรมการสร้างจังหวะห น, นอกจากไปบิณฑบาตฉันเช้าฉันเพนแล้วก็หลวงพ่อเทียนท่านก็จะมาเทศให้ฟัง ในการเทศแต่ละครั้งนั้นท่านก็จะพูดเรื่องการปฏิบัติแล้วก็เรื่องอารมณ์การปฏิบัตินะซึ่งบางคนก็ฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบางในส่วนของตัวกับผมฤทต่หมายเอง <c oughs> ก็พอจับความได้บ้างนะในเรื่องความรู้สึกตัวนะในช่วงประมาณกลางพรรษาเนี่ยจากการที่เราได้ฝึกอย่างต่อนเนื่องการเดินจงกรมการสร้างจังหวะ แล้วพยายามจะฉวยโอกาสในขณะที่เราไปบินาบาตในขณะที่เราฉันพยายามใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปซึ่งต้องยอมรับว่าในช่วงนั้นก็ยังไม่เคยรู้เรื่องแต่ประมาณกลางพรรษาเนี่ยจากการที่เราฝึกแล้วเราก็สังเกตความรู้สึกตัวความหนักความเบาความเครียดความง่วงนอนความปลอดโปร่งสบายอกสบายใจมันมีอารมณ์เหล่านี้เข้ามาให้เราเห็นอยู่บ่อย ประมาณกลางบัญชาเนี่ยหลังจากที่เราไปบิณระบาด ต, ตอนเช้าเราเดินกลับมาถึงที่กุฏิในขณะนั้นเนี่ยเราเราเราล้างเท้าเนี่ยความรู้สึกตัวมันก็ตื่นขึ้นมาอย่างอย่างที่เราไม่เคยเจอความรู้สึกตัวที่มันตื่นขึ้นเนี่ยมันรู้ขณะที่เราเอาน้ำลาดความเย็นของน้ำที่กระทบกับเท้าทั้งสองข้างอากาศที่เย็นสบายในช่วงเช้า เสียงนกร้องความรู้สึกปลอดโปร่งความรู้สึกตัวมันตื่นมันตื่นขึ้นสิ่งที่ละเอียดละเอียดแม้แต่ลมหายใจเราก็รู้สึกนี่คือความรู้สึกตัวเหรออ๋อนี่นี่เองที่เป็นความรู้สึกตัวที่หลวงพ่อเทียนพูดมาแล้วเราก็ดีินได้ฟังมาความรู้สึกตัวนี้มันเกิดขึ้นเองเราไม่ได้ไปสร้างเราไม่ได้ไปกาหนดมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของมันจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นเนี่ย ก็ทำให้เรามองมองสิ่งต่างๆเนี่ยดูมันปลอดโปร่งโล่งใจแล้วเราก็มาสังเกตสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นแมลงไม่ว่าจะเป็น ม, ม, นมดทางโคกกระโดดกิ้งคือซึ่งสิ่งเหล่านี้เราไม่เคยได้สนใจสิ่งเล็กๆน้อยๆความรู้สึกตัวมันก็ตื่นขึ้นเมื่อเราฉันฉันอาหารหรือว่าทับทานอาหารเนี่ย รสของอาหารเนี่ยที่มันเป็นรสจืดๆเราก็เริ่มสัมผัสได้แต่ก่อนเราไม่เคยได้สัมผัสกับรสจืดๆส่วนใหญ่เราจะสัมผัสกับรสที่มันเผ็ดหรือมันเค็มรสจืดๆเราไม่รู้รสมันรสอะไรมั น, มนความรู้สึกตัวเนี่ยมันละเอียดขึ้นซึ่งอันนี้มันเป็นผลจากการที่เราฝึกอย่างอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่เกิดขึ้นตรงนั้ น, นก็เลยจับจุดได้ละอ๋อความรู้สึกตัวมันคืออย่างนี้ และตรงจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตัวกับผมเลือดธรรมาเองเนี่ยรู้จักคำว่าสติหรือความรู้สึกตัวตอนที่เกิดขึ้นตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกดีใจมากในตัวเราแล้วก็มีความรู้ที่แตกฉานอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะบอกอยากจะบอกให้คนเขารู้ในในช่วงนั้นหลวงพ่อเทียนเนี่ยก็ให้โอกาสเราได้พูด แเราก็พูดในสิ่งที่เราเราเราประสบพบเห็นก็พูดพูดออกไปพอพอพูดออกไปเนี่ยหลังจากพูดเสร็จแล้วหลังจากเลิกทําวัดแล้วกลับไปที่กุติใจเราเนี่ยเราคิดว่าเรารู้หมดแล้วเนี่ยเรารู้ถึงที่สุดแล้วแต่ตอนนั้นนะอาจารย์ดามัส ก, กิจบอกว่านี่นะเพิ่งจุดเริ่มต้นตอนนั้นนะ่ะอย่าไปดีใจนะนี่มันเพิ่งจุดเริ่มต้นแล้วระวังนะ เนี่ยวิปัสสนูนะไอ้รู้มากๆไอ้แตกฉานเนี่ยแล้วอยากจะพูดจะคุยเนะี่ยระวังให้ดีนะความรู้สึกตัวมันจะลืมนะท่านก็นมาเตือนซึ่งตรงนี้เราโอ้โอจริงด้วยเนาะเราหลงเข้าไปในความรู้เราหลงดีใจว่าเรารู้หมดแล้วเราจะไปพูดไปคุยไปบอกเราลืมความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ที่ที่ตัวเองได้ประสบในช่วงที่ อ, อยู่ หนึ่งพรรษานั้นก็ได้มีโอกาสไป เ, เวลาไปอบรมที่ไหนหลวงพระเทียนไปถ้ามีนักเรียนเนี่ยก็จะชวนจตมาไปด้วยก็ได้ไปพูดคุยกับนักเรียนซึ่งตอนนั้นก็ยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าเราอยากพูดนะเรียกว่าวิปัสสนูเมเล็อดอย่างที่เราไม่รู้ตัวซึ่งตรงนี้เนี่ยนะก็มีครูบาอาจารย์พยายามเตือนเราเราก็ระมัดระวัง จากหนึ่งพรรษานั้นเราก็คิดว่าเรามีความรู้พอตัวที่จะออกไปสู่โลกนะครับตอนนั้นเราลาบวชได้ประมาณร้0ยี่สิบวันแต่อยู่ต่อถึงร้อยสิบ็วันในช่วงนั้นเนี่ยได้มีโอกาสมาที่วัดป่าสุขโ ต, โตเป็นครั้งแรกได้พบกับหลวงพ่อคำเขียนนะชอบบรรยากาศที่นี่มากเพราะว่าเป็นธรรมชาติสมัยนั้นคนมีน้อยมาก นะพระก็มีไม่กี่รูปโยมก็มีไม่กี่คนอานการกินก็ตามมีตามเกิดนะไปบินตบบาทเป็นส่วนใหญ่ลงครัวไม่มีนะกินน้ำพริกบ้างกินแจ่วบ้างอะไรบ้างก็ก็ก็เป็นบรรยากาศง่ายๆออบรรยากาศของวัดป่าสุกโตเนี่ยเป็นบรรยากาศที่ชวนให้เราเนี่ยได้กลับมารู้สึกตัวได้ดี เพราะสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเป็นเป็นสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เราไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นทำให้เรากลับมาดูตัวเราเองถ้าเราอยู่ในบ้านในเรือนอยู่ในที่ทํางานเนี่ยมันจะมีสิ่งแวดล้อมดึงไปมากแต่ช่วงเจ็ดวันที่มาอยู่ที่นี่ตอนนั้นก็ยังยังยังยังยังที่ อ, อความรู้สึกตัวยังยังใช้ได้อยู่เอ่อ หลังจากลาสิกขาไปแล้วก็ได้เอาความรู้สึกตัวนี้ไปใช้ในใ น, ในการงานแต่ก็ยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าความรู้สึกตัวที่เราได้ฝึกไว้เนี่ยมันยังไม่ยั่งยืนมันยังแปรเปลี่ยนได้และความประมาทของเราเนี่ยเราคิดว่าเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วเราใช้ได้แล้วพอเราไปทำงานจริงๆเนี่ยมันก็มีหลุดมีหล่นมีหลมีลืม แต่เรามีใจรักหรือชอบในเรื่องพวกนี้เราก็อาศัยสิ่งแวดล้อมเช่นเทปบ้างหนังสือบ้างหรือเมื่อมีเวลาวันหยุดบ้างเราก็จะมาครูบาอาจารย์มากราบหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคําเขียนอยู่เป็นประจำสิ่งเหล่านี้เราก็ทําซึ่งซึ่งมันก็ทําให้ความรู้สึกตัวที่มันหลุดหล่นไปบ้างเนี่ยมันก็กลับคืนมาดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ต่อเนื่อง ยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าการใช้ชีวิตเป็นค า, ารวาเนี่ยการเจริญสติเนี่ยค่อนข้างยากเมื่อเปรียบเทียบกับที่มาบวชในครั้งที่สองนี้ระยะสองเดือนนี้ที่เกือบสองเดือนที่ที่ที่ได้อยู่ที่นี่เนี่ยออความรู้สึกตัวเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะต่อเนื่องได้ง่ายแต่ไม่ยังไม่ถึงกับต่อเนื่องทีเดียวแล้วก็การได้มาบวชเนี่ย ถือว่าเป็นเป็นเป็นประโยชน์มากการใช้เพศของนักบวชเนี่ยเรามีเวลากับเรื่องนี้เต็มเวลาแล้วก็ได้ดูสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปออยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่า เ, เมื่อเมื่อสติเราชัดเจนเนี่ยเราเจะเห็นสิ่งที่ไม่ดีของเราขึ้นมาความอวดดีความอยากใหญ่ความ อยากพูดอยากคุยอยากเทศธรรมะซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกอันตรายอยากทําให้นู่นอยากทําให้นี่นอยากโอะแย ะ, ย ะ, ยะเลยในช่วงที่มาอยู่และบางทีเนี่ยความคิดเนี่ยมันก็มายกยอเรามาอุ้มเราว่าเนี่ยดีนะมาทําอย่างเนี้ยดีนะโอ้เยี่ยมเลยเดี๋ยวจะต้องไปทำให้นู้นเดี๋ยจะต้องไปทำให้นี่นะไปสร้างให้นู่นสร้างไอ้นี่น โอ้ยนี่เป็นตัวตัวตัวดีนะตัวดีคือสิ่งที่อยากจะทำดีแต่อันนั้นก็เป็นความคิดบางทีเราไม่รู้ทันเราก็หลงไปอีกหลงเป็นอ น, น้นหลงเป็นอันนี้หลงเป็นอันนั้นหลงว่ารู้แล้วซึ่งตรงนี้อันตรายพอสมควรเท่าที่ได้สัมผัสในช่วงที่ได้ใช้ชีวิตบวช ที่ท่านจอนสุรินได้นิมนต์เมกี้นี่ก็ยังไม่อยากจะพูดรู้สึกว่าเออเราเราจะหลงตัวเองหรือเปล่าแต่ตรงนี้เนี่ยก็ก็ถือว่าอยากจะเอาสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองมาเปิดเผยหรือมาประจาน <c oughs> ความไม่ดีของตัวเองคนปฏิบัติตามแล้วเนี่ยยอมรับได้เลยว่าเรามีสิ่งไม่ดีแต่เราไม่ได้โทษตัวเราเองเรารู้ว่าเออนี่มันไม่ดีนะเราต้องระวัง ก็ได้ไปจําคําที่หลวงพ่อเทียนท่านพูดเมื่อนานมาแล้วว่าระวังความมืดสีขาวนะความมืดสีขาวก็คื อ, อความคิดในสิ่งที่ดีๆความคิดจะสร้างสรรค์อันนั้นอันนี้จะทําอันนั้นอันนี้จริงๆมันก็หลอกเราให้เราคิดเราลืมลืมที่จะรู้สึกตัวนะอันนี้ต้องระวังสําหรับคนที่ปฏิบัติและก็ได้เห็นอารมณ์เหล่านี้ มาบ่อยๆบางทีเรารู้สึกโอ้โหดีมากเลยจะต้องทำโปรเจก t นั้นโปรเจกนี้คนต่างประเทศมาเราจะต้องฝึกภาษาอังกฤษเราจะต้องเอาวิทยุแบบที่เราไปธรรมาารามานะมีวิทยุแล้วก็แปลภาษาอังกฤษให้คนฟังโอ้ oh, oh, คิดไปสารพัดหลายโปรเจกต์เลยสุดท้ายเออโดนเขาหลอกโดนความคิดมันหลอกทิ้งหมดเลย กลับมารู้สึกตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยได้เคยถามหลวงพ่อกำเขียนว่าหลวงพ่ อ, อการปฏิบัติเนี่ยความรู้สึกตัวเนี่ยมันใช้ได้ตลอดไปไหมทาความรู้สึกตัวแล้วเมื่อมีความรู้สึกตัวแล้วมันจะต้องทำอะไรต่อไหมท่านก็บอกว่าไม่ต้องเอาความรู้สึกตัวเนี่ยดูมันไปเรื่อยๆสังเกตมันไปเรื่อยถ้าความรู้สึกตัวมัน มันชัดมันไวมันคมมันเห็นสิ่งที่ละเอียดสิ่งที่เราจะหลงสิ่งที่เราจะไม่เคยเห็นมันก็จะปรากฏให้เราได้เห็นแต่การเห็นนั้นเราจะไปจ้องดูไม่ได้ความรู้สึกตัวต้องเป็นธรรมชาติและจริงๆไอ้ความคิดทั้งหลายเนี่ยมันจะมาเสนอหน้าให้เราดูตลอดเวลาบ่อยๆเพียงแต่รูปแบบมันจะพลิกผันไปจาก ความคิดที่ที่ที่หยาบหยาบที่ไม่เคยดีตอนนี้มันจะเป็นความดดีๆให้เราคิดสร้างสรรค์ให้เราคิดรรมนุนู้นคิดรรมนันนี้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องรู้ทันแต่ไม่ได้ห ม, มายความว่าเราจะทิ้งหมดเลยบางอย่างเราก็ามาใช้ประโยชน์ได้แต่ในเบื้องต้นของคนที่ปฏิบัติหรือผู้ที่ปฏิบัติเนี่ยอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องพวกนี้ทิ้งทิ้งทิ้งไปเลยถ้าไม่ทิ้งเนี่ยเราจะรู้สึกหนักหัว นะอันนี้มีอาการที่แสดงออกหรือบางทีเราทําไปในเราง่วงนอนเราหนักหัวเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเราเพ่งเข้าไปข้างในมากนะอันนี้ก็ต้องปล่อยออกมาข้างนอกซึ่งเมื่อตอนบ่ายเนี่ยแต่มาก็เจอตรงนี้ว่าเอ๊ะทาไมวันนี้เดินแล้วมันง่วงง่วงหนักหนักนุงนวลนะพอดีมีโทรศัพท์เข้ามาเราทิ้งจากลานยงกมแล้วมารับโทรศัพท์เอ๊ะมันทำไมโล่งออกมาอ๋อ ีนี้เราไปเพ่งอยู่ข้างในนะตรงนี้ก็ต้องสังเกตจริงๆอาการเหล่าเนี้มันมันมันจะแสดงออกมาให้เราเห็นเพียงแต่ว่าเราจะสังเกตหรือไม่แล้วก็ปรับแก้ให้มันพอเหมาะพอดีนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ที่เราต้องเรียนรู้เองครูบาอาจารย์ไม่สามารถที่จะบอกไดนะ้อันนี้คือครูที่แท้จริงนะก็คือความผิดความบกพร่องหรือว่า อาการต่างๆที่มันแสดงออกมาเพราะฉะนั้นจากการได้ศึกษามาเนี่ยพบว่าวิธีการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวที่เราได้ปฏิบัติเนี่ยเป็นวิธีการที่กระทัดรัดสั้นแล้วก็ทำอย่างเดียวแต่มันเกิดหลายๆอย่างซึ่งอัศจรรย์ใจกับตัวเองมากว่าเอ๊ะมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอแต่ก่อนเราเรียนธรรมะเราจะต้องเรียน ไอ้นู่นไอ้นี่ต้องมีอันนั้นต้องรู้อันนี้ต้องรู้อริยสัจสี่ต้องโพธิชงเจ็ดโพธิปักกยจธรรมสาสิบเจ็ดอะไรโอ้เยอะแยะเลยตำลามันมากมายเลยแต่ถ้าเรามาทําสิ่งนี้อันเดียวเนี่ยธรรมะที่พูดถึงเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ภาษาแต่จริงๆเราก็ไม่ต้องไปสนใจเลยก็ได้ภาษาเนี่ยเพียงแต่ว่ า, เร า, ว เ, ร า, วาเรารู้สึกตัวเราปล่อยวางเรารู้สึกเราปล่อยวางได้ การปล่อยวางมันวางเองเราไม่ได้ไปสั่งให้มันวางสติมันจะทำหน้าที่ของมันเองแต่ก่อนเราไปอ่านหนังสือเราบอกต้องปล่อยวางนะต้องทาให้จิตว่างนะมันเหมือนเจตนาจะไปทำให้ปล่อยวางจิตว่างมันยิ่งซ้อนเป็นความคิดที่ซ้อนขึ้นมาอีกแต่โดวยวิธีการนี้เนี่ยเมื่อเราทาสติสติเขาจะไปปล่อยวางเองบางทีเราเห็นอะไรซ้ำซากซ้ำซากแล้วมันเบื่อขึ้นมามันปล่อยวางของมันเอง เราคิดมากๆมันปล่อยวางของมันเองซึ่งสติมันจะทำหน้าที่เรามีหน้าที่เพียงอย่างเดียวก็คือทำอย่างไรให้รู้สึกตัวและความรู้สึกตัวก็ไม่ได้ต่อเนื่องแบบเป็นขีดเป็นเส้นรู้บ้างหลงบ้างรู้บ้างหลงบ้างให้มันเป็นธรรมชาติาบางคนไปจ้องจะให้มันรู้ตลอดเวลาจ้องจะให้มันรู้ต่อเนื่องซึ่งตรงนี้จะเครียดอันนี้ให้สังเกตแล้วก็หนักเครียดหนักหัว ง่วงนอนมันจะมีอาการมันจะบอกออกมาแต่ให้เราสังเกตแล้วเราปรับนะตรงนี้ก็จะจะช่วยทำให้การเจริญสติของเราเนี่ยต่อเนื่องแล้วก็สามารถทำได้ต่อไปนะสิ่งที่ได้ได้ได้ได้พูดคุยได้นำเสนอตรงนี้ก็เป็นประสบาการณ์เล็กๆในน้อ ย, อยที่ได้มาแล้วก็ยังยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่ายังยังหลงอยู่ ยังต้องเดินทางอยู่ยังต้องเรียนรู้ต่อไปแต่ก็ดีใจที่ตรงที่ว่าเราเราพอจับจุดได้จับทางได้พอที่จะเดินไปตามทางนี้นะหลงบ้างลืมบ้างก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่นะชอบชอบคำที่หลวงพ่อคำเขีย น, นั่นบอกว่าไม่เป็นไรผิดแล้วลืมแล้วลืมไปไม่เป็นไรเริ่มต้นใหมนะ่เริ่มต้นใหม่อยู่เรื่อยๆแล้วก็ทา ไปเรื่อยๆมีความเพียรพยายามทําต่อไปเรื่อยๆก็คิดว่าวิธีการนี้น่าจะเป็นความรู้ที่สําคัญสําหรับโลกปัจจุบันเป็นการศึกษาที่คนในโลกปัจจุบันน่าจะได้มาเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เสริมในส่วนของอทางด้านจิตใจ ถ้าเราติดตามข่าวสารในโลกปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีปัญหาเรื่องจิตใจจริงๆแล้วเป็นปัญหาเรื่องจิตใจจริงๆที่เกิดปัญหาเศรษฐกิจสังคมเพราะว่าคนเราไม่รู้ใจของตัวเองไม่สามารถที่จะ <c oughs> รู้จักความสุขที่เป็นความอิ่มใจในตัวเราเองก็เลยต้องไปวิ่งวิ่งหาความสุขจากวัตถุภายนอก นะจนต้องหาเงินหาทองต้องเบียดเบียนกันต้องแข่งขันกันซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่น่าน่าเห็นใจพอสมควรสาหรับคนในโลกปัจจุบันเพราะฉะนั้นพวกเราที่ได้มาอยู่วัดป่าสุก โ, โตแห่งนี้เนี่ยอยากจะชักชวนพวกเราเชิญชวนพวกเราให้ใช้เวลาของการอยู่ที่ป่าสุกโตเนี่ย เป็นวันเวลาแห่งความรู้สึกตัวนาอย่างต่อเนื่องชัดเจนแล้วก็น่าจะช่วยทำให้เราเนี่ยได้รับประโยชน์จากป่าสุกโตแล้วก็ต้องขอขอบคุณแม่ชีแม่ขาวแม่ครัวทั้งหลายนะที่ได้ทำอาหารนะเลี้ยงพวกเรามาแล้วก็ต้องขอ ขอบคุณครูบาอาจารย์อนุโมทนานแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ทําให้เราได้กลับมารู้สึกตัวหม่เห็นตัวเราเองใม่เห็นสิ่งที่ดีก็ตามไม่ดีก็ตามในตัวเราเองเออกระผมเนี่ยตามามีความเชื่อว่าสภาพแวดล้อมของป่าสุกโตเนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมที่ช่วย กระตุ้นเตือนให้เราได้ตระหนักถึงการเจริญสติตามแบบหรือวิธีการที่หลวงพ่อเทียนได้ค้นพบได้นำเสนอและพวกเราก็ได้มาใช้ชีวิตกันอยู่ที่นี่กับผมเลียกต่อมาก็เป็นส่วนหนึ่งนที่จะขอน้อมรับในสิ่งที่จะเป็นคำตักเตือนเป็นข้อแนะนำที่จะเป็นประโยชน์ กับการเจริญสติก็ขออนุโมทนาในความตั้งใจของออพวกเราทุกคนนะครับที่ได้มาใช้ชีวิตที่นี่แล้วก็หวังว่าด้วยความภาคเพียรพยายามในการเจริญสติอย่างต่อนเนื่องจะส่งผลให้เราได้ประสบพบเห็นกับสิ่งที่เป็นที่สุดแห่งทุกข์ ก็คือความเป็นปกติของใจด้วยกันทุกคนทุกด้านเทิน